ก็เราก็อ่านก็เฉยๆใช่ฟังไปก็เฉยๆแล้วบางทีเราก็ฟังไปก็เห็นไม่เห็นแลยก็จมได้ด้วยแต่มันเคยแบบตึกไปที่ใจแรงๆไห ม, มต้องต่อต้องคิดต่อเออนั่นแหละตรงนั้นไงตรงนั้นก็คือว่าต้องโยนิโสบอกว่า พระพุทธเจ้าตรัสว่าเราร้องไห้มายาวนานแล้วแล้วก็ยังมาโศกเกี่ยวกับการมานั่งร้องไห้อยู่เนี่ยแล้วชีวิตมันได้สาระอะไรเออไม่ได้สาระอะไรสาระในที่นั้นคือมันได้สีลสาระไหมมันได้สมาธิสาระไหมมันได้ปัญญาสาระไหมมันได้วิมุตติสาระไหม มันได้วิมุตติยานทัศนาสาระไหมเพราะสาระมันห้าอย่างเนี่ยเพราะสาระที่สูงสุดคือนิพพานมันไม่ได้สาระเหล่านี้ทีนี้เราบอกว่าเราจำกันได้โอไม่เป็นสาระเลยล่องไปเราก็ไม่รู้ว่าไอ้อะไรมันคือสาระอะไรคือไม่ใช่สาระไม่รู้ว่าอะไรเป็นสาระอะไรไม่ใช่สาระก็จบเลยเราได้จะพูดว่าสาระ พูดนี้ไม่มีสาระคำพูดเนี่ยถกูกแต่ความเข้าใจน่มันผิดเข้าใจยังว่าถกพูดถูกแต่ความเข้าใจผิดก็ปัญหาตรง น, นั้นนะ่ยมันไม่ใช่ไงหยุดก็คือเปลี่ยนอารมณ์มันก็หยุดได้อยู่แล้ว นะัตรงนี้ก็คือว่ามันจะต้องพิจารณาถึงบอกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ศีลสาระเลยนั่นก็คือไม่มีสาระศีล ส, สมาธิปัญญาวิมุติวิมุติญาณทัศนนะวิมุติก็คือความหลุดพ้นน่ะวิมุติญาณทันศนะคือปัจจเวกนะ เ, เนพื่อจะได้ไปสู่ถึงนิพพานที่เป็นสาระที่ดับทุกข์ได้เป็นอนุปาทาปรินิพพานไป ก็คือน้อมก็หาสาระให้ได้ว่าเราไม่ได้สาระเหล่านี้ถึงเราทําอย่างนี้เราจะไม่ได้สาระเหล่านี้เลยปุุชนที่ขาดปัญญาเนี่ย <c oughs> ก็เรียกว่าไม่รู้จักสาระ <c oughs> <c oughs> พอพอไม่รู้จักสาระนะัน <c oughs> อัตมาอัตมาจําพุทธพจน์ไม่ได้นะสาโลสาร ะ, าระมะติไอ้มติโนเป็นต้นนี้เนี่ย จำไม่ได้ในธรรมบทในธรรม <c oughs> ในในธรรมบท <c oughs> คืออย่างนี้โ <c oughs> ดยหลักตรงนั้นก็คือว่า <c oughs> สรุปนะสรุปจำความได้คือว่าคนที่คน ท, คนที่ไม่รู้วาสาละไม่เข้าใจเรื่องสาละกก็จะเป็นผู้มีมิจฉาสังกปะเที่ยวไปใช่ไหม พอถ้าม so so if we ิจฉาสังกปามันก็ออกจากแล้วก็คือดําริผิดพอดําริผิดเนี่ยนะก็มาจากคําว่าอายโยนิโสด้วยพอดําริผิดเนี่ยความคิดจะผิดหรือถูกผิดเมื่อความเมื่อดําริผิดเนี่ยดำริในใจผิดแล้วเนี่ยการเปล่งวาจาจะผิดหรือถูกเป็นมิจฉาวาจาพอมิจฉาวาจาออกมาแล้วเนี่ยการกระทําทางกายก็เป็นมิจฉากามันตะเนาะอาชีพก็เป็นมิจฉาชีวะใช่ไหมความเพียรพยายามของเขาก็เป็นมิจฉาวายามะการระลึกของเขาก็เป็น มิจฉาสติใช่ไหมไอตัวตั้งสมาธิของเขาก็มิจฉาสมาธิาแล้วก็กลายเป็นมิจฉาวิมุตติทีนี้จากการดํำรี่ผิดเพราะไปเข้าใจสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าเป็นสาระก็ดําเนินชีวิตไปในสิ่งที่ไม่เป็นสาระท่านผู้นั้นมีมิจฉาสังกโปเออสังกโปมิจฉาสังกปะหรือมิจฉาสังกสังกโปอะ่ะมิจฉาสังกโปนะเปนี่ยเป็นเครื่องดําเนินไปไมันเป็นอย่างนั้น เข้าใจไหมว่าไอ้มิจฉาสังกับโปเนี่ยมันก็เป็นเป็นโคจรเข้าใจคําว่าเป็นโคจรไหยเป็นที่เที่ยวไปของท่านพูธนั้นท่านพูธนั้นก็เที่ยวไปกายกรรมเคลื่อนไหวออกไปก็มีมิจฉาสังกปะเป็นตัวขับเคลื่อนวัตกรรมเปล่งออกไปก็มีมิจฉาสังกปะเป็นตัวขับเคลื่อนคิดนึแต่ละครั้งก็เป็นมิจฉาสังกปะอยู่แล้วก็มีมิจฉาสังกปะเป็นโคจรไม่แต่คนที่เข้าใจว่า สิ่งที่เป็นสาระว่าเป็นสาระสิ่งที่ไม่เป็นสาระว่าไม่เป็นสาระบุคคลเหล่านั้นก็ทําตนเองให้เข้าถึงสาระมีศีรสาระเป็นต้นกลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็มีสัมมาสังกัปปะเป็นเป็นตัวดําริเป็นตัวเที่ยวเป็นตัวโคจรไปสัมมาสังกัปปะเห่นไหมสัมมาสังกโป้นั่นเองให้ความดารีถูกใช่ไหมก็ทําให้เกิดความเข้าใจถูกคือเห็นถูก พอการเข้าใจถูกเห็นถูกเกิดขึ้นการเปล่งวาจาออกมาก็เป็นสัมมาวาจาการเคลื่อนไหวทางกายก็เป็นสัมมากรรมตะอาชีพของเขาก็เป็นสัมมาชีวะความเพียรของเขาก็เป็นการระลึกของเขาก็เป็นเห็นไหมการตั้งจิตมั่นของเขาก็เป็นแล้วเขาก็จะมีสัมมาวีมุติคือการหลุดพ้นที่ถูกต้องมันเป็นอย่างนี้ฮะมันจะเป็นอย่างนั้นธรรมะต้องเป็น ต้องมองตลอดสายได้ทั้งมันเดินไม่ถูกจะเดินถูกได้ยังไงถ้าเดินไม่ทะลุทะลวงอ่ะนี่เป็นอย่างนี้เห็นไหมว่าสังสารวัตเนี่ยถ้าเราเข้าใจว่ามันเป็นคุกเนี่ยมันเป็นสัมมาสังกัปปะเป็นความดำริถูกแล้วจะน้อมเข้าไปหาสาระที่ถูกต้องมีศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระแล้วก็วิมุตติญาณทัศ น, านาสาระ แต่ถ้าไปเข้าใจผิดทั้งๆที่แม็นน่าเบื่อเนาะสังสารวัดนี่การเวียนว่ายใจเกิดพูดกันแป๊บ ๆ, ๆในคลองเนี่ยมันก็จะมีมิจฉาสังฆปะเป็นโคจรแล้วก็จะประสบสิ่งที่ไม่เป็นสาระมันก็อยู่กันอย่างเงี้ยแล้วก็เพลิดเพลินกันต่อไปแต่ปากก็โอโหน่าเบื่อเนาะคนนั้นน่าเบือ่อคนนี้น่าเบือ่ออะไรเยอะไปหมดบ้านก็น่าเบือ่อไปวัดก็น่าเบือ่อไปพุทจารกนา็น่า มีไม่น่าเบื่ออยู่คนเดียวคือบางทีตนเองก็น่าเบื่อเนะ่แต่ความคิดนี่ไม่น่าเบื่อเห็นไหมยังเห็นความคิดมีสาระอยู่เข้าใจไหมเนียนพังยักเขาไม่ให้ไปยักหน้าครับหรือไม่ครับก็บอกไปเข้าใจไหมนะเออ แล้วถึงบอกว่าชีวิตของเรามีสาระไหมมีที่ไหนล่ะจะสึกจะอะไรต่างร้องไห้ทุกวันเธอทั้งหลายนะที่บอกว่าความเข้าใจนะที่บอกว่าข้าพระองค์รู้ตามธรรมของพุทธเจ้าถูกละเธอทั้งหลายรู้ตามธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกต้องแล้วน้ำตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้เยนไหวท่องเที่ยวครําควร้องไห้อยู่ ที่ประสบชาติทุกชราทุกมรณะทุกโสกาบริเดวทุกก ร, ระทมนณะสารูปายาตเป็นต้นพัดภาคจากของรักของชอบใจในการนี้แหละมากส่วนน้ําในหมหาสมุทรนั้นไม่มากเลยน้ำนี่มาเธอทั้งหลายได้ประสบความตายของมารดามาช้านานน้าตาก็หลั่งไหลของพวกเธอทั้งหลายประสบความตายจากมารดาก็คําควรร้องไห้ประสบจากสิ่งที่ไม่น่าพอใจเพราะพัดภาคจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจมากกว่าน้ําในหมหาสมุทรนะ เธอทั <his> ้งหลายได้ประสบกับความตายของบิดาประสบกับความตายของพี่ชายประสบความตายของน้องชายการประสบกับความตายของน้องสาวของบุตรของธิดาความเสื่อมญาติความเสื่อมจากโควาความเสื่อมจากโรคมาอย่างช้านานน้ําตาที่หลั่งไหลของเธอทั้งหลายผู้ประสบความเสื่อมจากพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายบุตรธิดาความเสื่อมจากญาติเสื่อมจากโควาความประสบความเสื่อมเพราะโรคภัยแค่เจ็บ ที่เธอต้องข้าควรร้องไห้อยู่ประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลัดพรากจากสิ่งที่น่ารักน่าพอใจมากกว่าส่วนน้ําในมหาสมุทรไม่มากเลยข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าสงสารสังสารวัฏนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้ที่สุดของเบื้องต้นที่สุดของเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหาสัตว์ผู้ถูกอวิชชาคือความไม่รู้ในทุกไม่รู้ในทุกกระสมูทยัย ไม่รู้ในทุกขันิโรดไม่รู้ในทุกขันธิโรธคามินี ป, ปฏิปทาใช่ไหมไม่รู้ในขันธะาตยตนะที่เป็นไปในอดีตไม่รู้ในขันธะายะตนะทา่าที่จะเป็นไปในอนาคตไม่รู้ขันธะายะตนะทา่าที่กําลังเป็นไปในปัจจุบันด้วยไม่รู้ปฏิจจสมบับาทอมไม่รู้เนี่ยก็เลยไม่เข้าใจว่าตนเองถูกชาติทุทกชรลาทุกมรณะทุกเที่ยวกินห่อมหันอยู่นี่จะไปกลัวอะไรอากลัวอะไรอ่ะป่วยก็ไปหรับหมอ ตายก็เผาเขาตายกันทุกคนแล้วบอกใช่ไหมเก็ไม่ต่างอะไรกับสับเหลือทํากิจในการเผาศพก็เล่นไปวันวันนู้ น, น, นนะอ่ะอไปงานศพหน่อยไปทําตัวเป็นสับเหลือกแต่ไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยเนะ่ยใช่ไหมสับเหลือก็ร้อยอกว่า น, นี่จะได้ค่าจ้างจากการเผาเท่านั้นทุกวันนี้ไปงานศพก็ไปอย่างสับเหลือไป เพื่อไปได้รู้จักเนาะตอน euh. ปู่ย่าตายายเราตายเองก็จะเริ่มาเผาแล้วไปเพื่อมีความหวังตรงนั้ น, น, นหวังหวังรับแต่รัย์ก็คือหวังจะได้บริวารแล้วมันจะได้สะดุ้งสะเทือนอะไรเป็นงั้นไหมล่ะพาเขาเออได้สวดแล้วมีเออ มุพลาได้สรวงานสอบบุฟฟาไม่วัดขึ้นเพลิงหน่อยเห็นไ้มสับปะเลอโอ้ต้องจะได้ไหมต้องเจ่สับปะเลอบนวันก่อนไปเจอสับปะเลอบนอะไรรู้หมโอ้ยวัดนี้ไม่เ็มีสอบเลยสับปะเลอบอกก็เป็นารอชีพสับปะเลออย่างเดียวก็นจนแน่เนี่ยวัดเนี่ยอย่ไประบุดีเหมือนทึงบอกนานๆจะมีก็ต า, ายอย่ากว่าก็บอกว่า ปีนึ่งม่ตายแคสี่สบโอโหไม่ไหวเขาบอกว่าเจ๊งต้องต้องต้องไปเขาไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยเนะเขาไม่เคยสะดุ้งสะเทือนเลยเนัยย้นพวกเราเนี่ยนะพวกเราก็เลยทําตัวเหมือนสับปเปลือยไปงานศพก็ไปแบบสับปเปลือยให้เขา โอ้ตอนนั้นญาติเราเสียเข้ามาแล้วก็ไปใช้หนี้ก็ได้ไปเพื่ออไปทำหน้าที่เพื่อในต่อต่อไปแล้วเวลาเขาตายก็จะมางานสมนี่ไงถามว่าเราต่างจากสัตว์เลยไหม เ, เราเราก็ไปไปงานศพกันมามากแล้วจริงๆเคยเคยเห็นโทษของสังสารวัตอย่างรุนแรงไห ม, ไ, มไปงานศพเน่ฉะนั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกมาอย่างเราก็คือไปงานศพแบบสับเปลือไปเราก็เป็นสับปปเปลือไปดูศพเพราะสับเปลือกนั่นก็ดูศพแล้วเขาไม่สะดุ้งสะเทือนหรอกเขาไม่กลับมานอนไข้ควรพิจารณาว่า เราจะออกจากสังสารวัดอย่างไรเนาะก็ออกมาถ้าจะไข้ควรไข้ควรเนาะเดี๋ยวเราจะจากไปะแล้วเนี่ยเราทําบุญได้บ้างแล้วได้มากคิดสูงสุดแกแค้นไม่เคยคิดว่าเราจะออกจากวัฏตะได้อย่างไงเราจะพ้นจากการตายอย่างท่านผู้นี้อย่างไรท่านพู้นี้แต่ก่อนเนี่ยเคยทําบุญกุศลอย่างเราได้แต่ปัจจุบันท่านทําไม่ได้และกายตายของท่านเสียหายมากเพราะท่านตายด้วยความเป็นบุรุชน าการเป็นบุริชนตายเนี่ยมันก็ไม่พ้นอยต้องไปเกิดเมื่อไปเกิดก็ไปแก่ dictate, Kumar, Won, ไปแก่ก็ไปเจ็บไปเจ็บก็ไปตายวนเวียนไปมาอย่างนี้ไม่มีศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุติสาระหมุตติยานทัศน์สาระเกิดขึ้นในกระแสขันเขาก็พ้นจากสังสารวัตรไม่ได้ก็ ก็แต่เนะก็ไม่ทราบอาจจะมาดูแลตัวเองพอแล้วอย่างนี้เขาเรียกหน้าที่ ในนี้คือหน้าที่อ น, นี่แหละเป็นหน้าที่หน้าที่ในลักษณะอย่างนี้ก็คือทําตัวเป็นสับ ป, ปะเลออืมอ่ะเดินเดินเนดเินก็ไปนั<ส>่นนะถูกแล้วแต่ที่พูดเนี่ยที่พูดว่าการไปเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกแต่ถ้าไปลาแล้วถ้าจะให้ได้สาระ ดีที่กล่าวใช่ไหมดีที่พูดไงก็มหมายความว่าไปแล้วมันต้องวิจัยให้เห็นโทษของการตายแทนจากานั้ตน ต, ตรงนี้นะก็ถึงบอกไงบอกว่าเธอทั้งหลายที่ท่านบอกว่า เธอทั้งหลายเนี่ยสงสารนี้มีเบื้องต้นเบื้องปลายอันบุคคลรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นที่สุดเบื้องปลายแม่ปรากฏแกเราสัตว์ผู้ถูกกวิชาขีดขวางผูกตันหาผูกไว้แล้วก็ท่องเที่ยววนวายเวียนว้ตายเกิดเธอได้เสวยทุกข์ความเผ็ดร้อนความพินาศได้เพิ่มพูนปจัจจีเป็นป่าช้าตลอดกันนานก็หมายความว่าเธอตายสักคนนึงก็ทําให้แผ่นดินสูงขึ้น ก็ทับถมแผ่นดินสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นจนผืนแผ่นดินทั้งหมดนี้ก็คือ น, นั่นแหละซากของเธอทั้งหลาย <_ d ata> เพียงพอหรือยังที่จะเบือนหนายพวานั้นถ้าอย่เพียงพอ่านกอกเลือดที่หลังออกมาจากการถูกตัดคอเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทร <_ d ata> ใช่ไม้มทีนี้ <_ d ata> กรณีที่เราทั้งหลายที่ถูกฆ่า ถูกตัดถูกเจาะถูกจองจําจนเลือดที่ไหลออกจากลําคอเนี่ยรวมกันแล้วมากกว่าในน้ำหมาสมุทร ส, สมัยหนึ่งพระเจ้าบททัพที่ไหนที่เวรวุวันได้ตัดเรื่องเกี่ยภิกษุชาวเมืองปาวาประมาณ30รูปว่าภิกษุทั้งหลายสงสารนี้มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดเบื้องต้นและที่สุดเบื้องปลายไม่ปรากฏแก่เหล่าสาัตว์ผู้มีถูกวิชักกีขดขวางตันหาผูกไว้ ท่องเที่ยวเวียนไหตายเกิดเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นเป็นไนโลหิตที่หลังไหลจากคอจากศรีรษะของเธอที่ถึกถึกถู ก, ถ, ก, ถ, กถูกตัดศรีรษะเนี่ยนะที่ท่องเที่ยวโดยการอานยาวนานเนี่ยกันน้ำเนี่ยสมุนเนี่ยเลือดที่ไหลออกจากลําคอของเธอเนี่ยอย่างไหนมันจะมากกว่ากันพระก็บอกว่าข้าพระองค์ทั้งหลายรู้ตามธรรมที่พระบรมศาสดาทรงสแสดงแล้วว่าโลหิตที่ไหล หลังไหลของข้าพระองค์ทั้งหลายผู้ถูกตัดศรีรษะที่ข้าพระองค์ท่องเที่ยวเยียนไห้ตายเกิดในสังสารวัตรเนี่ยมีมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่มากเลยพระพุทธเจ้าข้าพพุทธเจ้าก็บอกว่าถูกแล้วถูกแล้วสาธุถ้าเธอเห็นอย่างนั้นนะสาธุสาธุสา ธ, สา ธ, สาธุดีแล้วเพราะเห็นอย่างนี้เห็นถูกดําเิลย่งนี้ก็ดํารลิถูกพูดแบบนี้ก็พูดถูก เข้าใจอย่างนี้ก็คือเข้าใจถูกเมื่อกายกรรมวิ จ, จรรีกรรมมโนกรรมของเธอน้อมไปจะออกจากสังสารวัตเนี่ยเธอก็ประพฤติกรรมที่ถูกเป็นวิวัตรคามีนี่ถ้าเธอน้อมไปในลักษณะอย่างนี้จะเป็นปัจจัยใการให้เธอไม่ถูกจะได้ไม่ไปถูกตัดคอในอนาคตในสังสารวัตรถ้าเธอยังตายจากการเป็นบุรุษชนอยู่เธอก็จะไปถูกตัดคอไปถูกตัดคอ ทีนี้เธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโคใช่ไหมบอกว่าเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโคเนี่ยเอาเคยเชื่อไหมว่าเราเคยเกิดเป็นวัวเคยไหมัม <deu> ้นเคยเกิดเป็นวัวนี่นะชัดเลยเคยเกิดเป็นโคเนี่ยไม่ใช่หนึ่งอัตราภาพไม่ใช่สิบอัตราภาพใช่ไม่ใช่ร้อยไม่ใช่ 100, ใชแสนอัตราภาพไม่ใช่กลับดี้วมากกว่าหนึ่งกลับ มากกว่าแสนกับมากกว่าร้อยกับมากกว่าหมื่นกับมากกว่าแสนกับที่เคยเกิดเป็นโคแล้วเธอทั้งหลายนะ่ะเคยถูกตัดคอเพราะการถูกเป็นโคที่เขาเอาแ่หน่งเอาเนื้อเธอไปกินเนี่ยมากกว่านั้นเลือดของเธอที่ไหลออกจากคอที่การเกิดเป็นโคอย่างเดียวเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุทรนี่พุทธพท์พระเจ้ามีปัญญาดีไหมพระเจ้ารู้ทรุทะวงไหมถ้าไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยจบแล้ว นี่ไงพระเจ้าสอนทุกข์าสตร์ให้เห็นโทษของสังสารวัตให้สะดุ้งเทือนเือนในสังสารวัตรโมไม่ใช่ไม่ใช่แสนอัตภาพใช่หไหมเป็นโคอย่างเดียวที่ถูกตาศีสันเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่กลับเดียวไม่ใช่สองกลับมากกว่านั้นโอ้โห น, นั ก, ก ร, รุณานตัวเองไหมย เด็กก็ถูกจับล็อกก็ตัดคอทุบหัวตัดคอเอาเนื้อมากินเลือดก็ไหลปัด ป, ด ป, ดปดัไม่เกิดเป็นหมูเงี้ย mm hmm. ก็ถูกแทงล้องดิ่งกึกกึ๊เนี้ยเลือดที่หลังจากคอหมูด้วยนั้นอะมากกว่าน้ําในมหาสมุทรเคยเกิดเป็นไก่เงี้ยถูกตัดคอแล้วถูกตัดคออีกถูกตัดคอแล้วถูกตัดคออีกเนี้ยมากกว่านั้นนี่งไงสังสารวะัตมันเป็นอย่างนี้ พิกสูทั้งหลายที่บอกว่าเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นแกะเกิดเป็นแพะเกิดเป็นเนื้อเกิดเป็นสุกรและเกิดเป็นไข่เออเกิดเป็นไก่นี่ย น, นะเกิดเป็นกระบื้อซึ่งถูกตัดสีสรษะมาอย่างช้านานโลหิต ท, ที่หลั่งไหลออกก็มากกว่าน้ําในมหาสมุทรไล่ไปเหอะทีนี้วิธีเกิดความสะดุ้งสะเทือนสังสารวัตรใช่ไหมวิธีก็หมายความว่าเวลาเราเดินไปเห็นแมวสักตัว เห็นเป็ดสักตัวเห็นไก่สักตัวเห็นหมูสักตัวเห็นวัวสักตัวเนี่ยเห็นปุ๊บเนี่ยเราเคยเกิดเป็นเนี่ยหลายล้านอัตรภาพเคยถูกตัดคอเพราะการเกิดเป็นปลาเกิดเป็นเป็ดเกิดเป็นไก่เกิดเป็นแพะเป็นแกะเนี่ยน้ําที่ไหลออจากคอน้ําเลือดที่ไหลวิ่งออกจากคอของเราทั้งหลายเนี่ยคอของเรานี่เคยรับคมมีดคมหอกคมดาบมาเนี่ น้ำเลือดที่ไหลออกจากคอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรคิดไปนั่งคิดไปเอามาคิดไม่เห็นก็เอามาคิดถ้ายัางไม่ใช่เห็นโทษถ้าไม่เคยคิดไม่มีทางพูดเดียวนี้ยังคิดไม่ออกเลยต้องเอาไปคิดดูทีไปนั่งคิดไปนั่งตรึกเอาสูตรไปอ่านแัะศาธย์ยายบ่อยๆทั้งอ่านทั้งศาธยายทั้งตรึกทั้งไข้ควรทั้งพิจารณาแล้วก็ดู ปัจจัยต่างๆที่แวดล้อมนี่ถ้าไปแวบๆพรแวบอย่างทุกวันนี้นะวันนึงเปลี่ยนอารมณ์เป็นร้านอารมณ์นี่ยากยากเพราะมันเยอะมากเดี๋ยวคำท้าจะคิดเรื่องนี้เดี๋ยวเรื่องนั้นก็ฟุดข้ามาก็ไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็ฟุดข้ามาก็ไปเรื่องนั้นฟุดข้ามาแล้วจะมีลึกซึ้งสักเรื่องไหมชีวิตเสียใจก็เหมือนไม่เสียใจดีใจก็เหมือนไม่ดีใจก็การการหัวล็อกคือการร้องไห้นี่ไปทําวินัยนี้ จะต่างอะไรกันนะต่างอะไรกันในขณะที่นั่งหัวเราะมันก็คือความก็คืออภิชาร้องไห้ก็คือโทมนัสแล้วมันจะทําให้บริสุทธิ์ได้ไหมละ่ะอภิชาและโทมนัสเนี่ยมันบริสุทธิ์ไม่ได้มันไม่ใช่หนทางความบริสุทธิ์ของเราสัตว์เพราะไม่ใช่เอกายโนอยังพิขเวมารโคใช่ไหมไม่ใช่หนทางไม่ใช่หนทาง แค่นเราเห็นหัวเราะก็คือการร้องไห้ก็คือการร้องไห้ ฉะนั้นตรงนี้ก็คือว่าว่าเวลาที่เธอทั้งหลายไปเกิดเป็นโคเพียงตัวเดียว่เลือดที่หลั่งไหลออกจากคอที่ถูกเชื้อเนี่ยก็มากกว่า น, น้ำในมหาสมุทรเป็นต้น น, นะฉะนั้นสังสาระเนี่ยนะสงสารนี่มีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้ที่สุดรเรื่องต้นก็ใครๆรู้ไม่ได้เราที่ถูกกวิชาขวางกีดขวางอาตันหาก็ผูกไว้ท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในดแานการสวยทุกขแล้วก็ได้รับชาติทุกชราทุกมรณะทุก ได้รับความโศกความลำลายลําพันธ์ความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นจจได้ประสบความเผ็ดร้อนความพินาศเพิ่มพูนปัจจัที่เป็นป่าช้าตลอดกาลนั้นตอนเนี้เรายืนเราเดินไป เ, เดินบนบ น, บนปา่าช้าปัจีทุกชิ้นนะนั่นคือป่าช้าของเหล่าสัตว์ให้เข้าไปรายใหญ่งี้นคือเหยียบไปบนทุกสัตริย์หมดเลยนอนอยู่บนทุกสัตย์หมดเลยนั้นที่เราเหยียบที่เราเกอดที่เราชื่นชมต่างๆนั้นคือการชื่นชมทุกสัตว์ เนะเพื่อเพลินทุกข์สัตรย์ยินดีทุกข์สัตย์พ่อพูนทุกข์สัตย์เมื่อเห็นทุกข์สัตย์โดยความเป็นสุขไม่ใช่ฐานะที่สัตว์เหล่านั้นจะพ้นทุกข์ไม่ใช่ฐานะเราเพื่อเพลินเรายินดีเราบูชาทุกข์สัตย์เราจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรเพราะทุกข์สัตย์นั้นเป็นธรรมที่ควรตําหนดรู้ ควรรอบรู้ไม่ใช่ควบูชาไม่ใช่ควรยินดีไม่ใช่ควรเพลิดเพลินไม่ใช่ควรโทรมนัตกับสิ่งนั้นนั้นถ้าอภิชาด้วยโทรมนานัตเกิดในขณะที่เรามองเห็นทุกษัตริย์ไม่ใช่หนทางต้องเห็นอสาต tha โยความเป็นอสาตะของทุกษัตริย์เห็นอาทีนาวะด้วยความเป็นอ า, า, าอทนอาีนวะแล้วก็ต้องเข้าใจนิสรณะที่เป็นเหตุเพื่อจะเข้าถึงนิสรณะที่เป็นผลมึงจะชัด นั้นทุกวันนี้เราเกี่ยวข้องกับทุกข์สัต์แล้วเราได้อะไรจากทุกข์สัตว์นอกจากอภิชาและโทมนานั้นถ้าเรายังอยู่กับอภิชาและโทมนานั้นกับทุกข์สัตว์ถามว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่ทุกข์สัตว์ไหมรูปเบญนาสัญญาสังขารวิญญาณใช่ทุกขสัตว์ไหมหญิงและชายเป็นต้นใช่ทุกข์สัตว์ไหมเห็นไหมโลกใบนี้ใช่ทุกขสัตว์ไห สิ่งที่เนื่องกับโลกใบ น, นี้ใช่ทุกข์สัตว์ไหมเอาเลยสิแล้วเราอะไม่อวิชากระทมรักกับโลกใบ น, นี้ทั้งภายในและภายนอกเรานั้นเป็นสาสติ์ปลอดอยู่กับทุกข์สัตว์ชื่นชมอยู่กับทุกข์สัตว์หลงไหลอยู่ในทุกข์สัตว์มัวเมาอยู่ในทุกข์สัตว์เพลิดเพลินยินดีแล้วมันจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรไม่ใช่ฐานะเลยก็เราไปยินดีในสังสารวัตรไปยินดีในวตะ นี่หรือคือสัตว์ที่จะพ้นจากสังสารวัตรใช่ไหมต้องต้องทําการบ้านยังใหญ่โตเลยต้องทําการบ้านยังใหญ่โตไปนั่งวิจัยใหม่ว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ทํายังไงให้คนเห็นด้วยความเป็นทุกข์ช่วยกันทีนี้การจะทําให้คนอื่นเห็นนั้นตนเองต้องเห็นก่อนต้องเห็นก่อน ต้องเห็นแต่ต้องเข้าใจว่าเป็นเขียนยังไม่ได้เลยเขียนก็มันยังเครีบแข็งอยู่ต้องเข้าใจตรงนั้นเนาะนี่คือคือเกี่ยวในเรื่องของสังสารวั้ทีนี้ไปดูอีกบทนึงบทที่บอกวิชาจจรณาสัมปันโนได้ว่าเมื่อวานนี้แล้วสัมมาสัมพุทโธนั่นว่าไปแล้วเนาะ อวิชชาจจรณาสัมบณนู น, นะเป็นพูดถึงพร้อมด้วยอะไรนะวิชชาและจจรณะเออในที่จริงตรงเนี้ยก็ไล่ไปอย่างนั้นเองนะแต่โดยมากก็คือโดยหลักก็คือว่าวิชชาแปดนะแล้วก็เจรณาสิบสิบห้า ในคำภีร์ในคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งหลายนี่ถ้าเราจะมองตรงนี้เมื่อวานนี้พูดในเรื่องของสัพพัญญุตยานของพระพุทธเจ้านะพระสัพพัญญุตยานก็คือพระปัญญาที่มีความรู้ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าที่สามารถรู้สังคต ธ, ธรรมเนาะและก็รู้อสังคต ธ, ธรรมเนาะทำที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งและทำที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่ง สัพพัญญตยานของพระพุทธเจ้านะควรจะแสดงว่าพุทธยานของพระเจ้ามีสิมีสิใช่ไหมยานในทุกยานในทุกขสมุทัยยานในทุกขนิโรธยานในทุกขานิโรธขามมีปฏิปทายานหรือปัญญาเนี่ยอัตถปฏิสัมพิทายานในธรรมปฏิสัมพิทายานในนิรุตติปฏิสัมพิทายานในปฏิภาณนาปฏิสัมพิทาใช่ไหมยานในความยิ่งในความหย่อนของอินทรีย์เนาะยานในฉันท่าที่เป็นที่นอนมาและกิเลสเป็นเครื่องนอนมาของเรล่าสัตยานในยมกับปฏิหารยานในมหากรุณาสมาบัติ สพัญญุตยานนาวรนาดานบัญญาพุทธยานสิี่เหล่านี้นะพะยานแปอย่างข้างต้นเป็นพยานที่สาวกทั้งหลายสามารถที่จะรู้ได้เช่นยานในทุกยานในทุกขสมุทยัยยานในทุกขนิโรธยานในทุกขนิโรธค้ามมีเปิดปทาใช่ไหมยานในอัถฐธรรมนิรุติปฏิพันธ์8อย่างอันนั้นใช่ไหมอันนั้นสาวกก็มีได้แต่มีได้ไม่บริบูรณ์นะ แต่ส่วนอาสาธนาญาณก็คืออาสยามุตสย า, ยานอินเทียปโปรปริยติญาณมกระปฏิหาริยญ า, านมหากรุณาสมาปัฏิญานอนนาวรณายาณและก็สภพญยุตยานนั้นเราสัตว์มีไม่ได้นอกจากพระพุทธเจ้าตัว น, นั้นอันนี้เป็นอาสาธนาญาณหกเนาะในรายละเอียดก็ไม่ต้องไปขยายมากแลยเนาะแต่ต้องการอยากจะให้รู้ว่านี่ไงพระพุทธเจ้ามีตรงนี้แหละพระองค์ถึงรู้ทะลุทะลว ง, ง, งและทำไมพระองค์จังรู้ว่าเลือดหลั่งไหลาจากคอสัตว์เนี่ยมากกว่าน้ําในมหาสมุทรจะได้ไ ป, ไป รับรองกันถ้าอย่างนั้นสัตว์โลกก็จะไม่เข้าใจว่าพระเจ้ามีพยานพิพเศษแบบนี้นอกนั้นไม่มีคนยุคนี้ไม่มีไม่มีคนในยุคนี้ไม่มีเพราะสัตว์ในโลกนี้ที่ยิ่งปุถุชนได้แล้วห่างไกลมากนไม่ใช่ฐานะต้องเชื่อท่านอย่างเดียว ต้องเชื่อท่านอย่างเดียวเรจะรู้ทีนี้ประการต่อมาก็คือว่าพยานหกประการนั้นสําเร็จขึ้นมาด้วยอะไรด้วยอาราธมักด้วยความเป็นป้าหานของพระพุทธเจ้านั้นนะประการต่อมาก็คือทิพจักขูยานทิพโสตยานเป็นต้นแล้กระปุเพนิวาสานุสติยานเนาะนั่นในคัมภีร์ต่างๆนะแล้วก็จุตูประปาตยานแล้วก็อาสวะขย้ายานของพระพุทธเจ้านั่นเขรียกพุทธยาน ทีนี้ในรายละเอียดตรงนี้ไม่ตามไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสัพพัญญุตญาณน า, น, านาวารณญาณ น, นี่นะที่ญาณไม่สามารถมีอะไรมาขัดขวางได้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิทามมักถ้าต้องการอยากจะศึกษาเรื่องพยาณเหล่านี้มีเยอะมากอินทรียปรโรประยะิยัติญาณญาณที่กําหนดความยิ่งและความอ่อนของอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายมหากรุณาสมาปัฏิญาณก็คือพยานที่พระองค์มีพระมหากรุณาต่อสัตว์โลกอาสัยานุสัยญาณก็คือรู้อนุสัย อัธยาศัยของสัตว์ยมกับปฏิหาริย์ญาณก็คือการแสดงปฏิหาริย์ที่เป็นคู่คู่อะไรเนี่ยอันนั้นก็ไปอยู่ในรายละเอียดทีนี้เมื่อวานนี้พูดในเรื่องของวิชาเนาะเขาแปลว่าความรู้หรือความรู้แจ้งก็ได้แก่ปัญญาที่ทำให้เข้าใจสภาวะทท้ำหลายถูกต้องตามความเป็นจริงในคำพีปรมัตถันชุษาดีกาเนี่ยนะของวิสุทธิมรรตเนี่ยท่านใช้คาว่าอัตโนปฏิปักขัสะ วิชนะเถนะวิชาก็แปลว่าเชื่อวิชาเพราะมีความหมายว่าทิมแทงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์วิชานี่นะคือทิมแทงธรรมที่เป็นปฏิปักษ์หรือที่ชื่อวิชาเนี่เพราะมีความหมายว่าทําลายกองมืดกองมืดกองมืดทําลายกองความมืดอะไรคือกองของความมืดคือโมหะนั้นวิชามีแปดวิชาแปดนั้นทาลายมโมหะ เอาวิชาแปดมีอะไรวิชาแปดมีอะไรวิปาาัสนาญาณคือปัญญาที่ไปแยกแยะเห็นรูปนามดยความเป็นปัจจารลักษณะและสามัญลักษณะน้อิทีิวิธินี่ก็ต้องทำลายความมืดได้ใช่ไหมแล้วก็อะไรที่โสตะใช่ไหมหูทิยเนี่ยปกติมันมืดเนี่ยไม่เคยได้ยินเสียงสัตว์หรอกโมหะมันปิดใช่ไหมโมหะมันปิดเคยได้ยินเสียงพรมคุยกัน แล้วไม่รู้หรอกนกมันนยะกาลังคุยเรื่องอะไรกันเนี่ยไ ม, ม่หูทิพไม่รู้ว่าเทวดาท่านกาลังคุยอะไรกันหรอกแต่ถ้าคนมีหูทิพมันเขาหูทิพเนี่ยที่จะต้องเป็นไปกับวิปัสสนาปัญญาจะเห็นโทษของสังสารวัฏแต่ถ้าหูทิพที่ไม่เป็นไปกับวิปัสสนาปัญญาเนี่ยยิ่งเห็นก็ยิ่งมืดยิ่งบอดเอางี้ถ้าหากว่าได้ยินของสัตว์นรกร้องจะกลัวไหม แต่ถ้าเป็นถ้าเป็นวิปัสนาปัญญาเกิดขึ้นมันจะเห็นทุกในสังสารวัตหนักขึ้นไหมนี่ไงเข้าใจยังอย่างเราเนี่ยที่มีโมหะมากยิ่งไปรับรู้อะไรมากก็ยิ่งพอกพูนโมหะมากเพราะเราไม่มีวิปัสนาปัญญาคนที่มีวิปัสนาปัญญานี่นะรู้เรื่องมากเขาก็ยิ่งถอนตนออกจากทุกได้เร็วเข้าใจยังไงตอนเนี้ย นคนที่เขาอย่างเราถ้าลองไปมีหูทิพย์เนี่ยยุ่งเลยเราจะติดนั่นในตอของในวตานอีกนานเลยอ่ะพอไปมีหูทิพย์มีตาทิพย์เนี่ยยิ่งเินโทษหนักใหญ่ไปเห็นสิ่งประหลาดประหลาดเนี่ยมาคุยใหญ่เลยใช่ไหมแต่ท่านเห็นแล้วท่านสะดุง้งท่านกลัวภัยของวตัตะ เพราะท่านมีวิปัสนาปัญญาเป็นไปกับการเห็นเป็นไปกับการได้ยินเป็นไปกับการแสดงอิทธิฤทธิ์เข้าใจหรือยังว่าพุทธประสงค์ทำไมแสดงวิปัสนาญาณก่อนเป็นข้อแรกในวิชาแปดวิชาแปดนะี้เป็นไปเพื่อความสะดุ้งสะเทือนเป็นไปเพื่อเห็นโทษของสังสารวัฏไม่ใช่เป็นเป็นไปเพื่อการเห็นคุณของสังสารวัฏ ม, มาก แล้วนิทิภานมาเนี่ยมีใครเอาวิชาแปดมาอธิบายให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งไหมต้องอธิบายอย่างนี้ถึงจะเห็นใช่ไหมต้องทําความเข้าใจอย่างนี้เพราะพระพุทธเจ้าอธิบายไว้แล้วไม่ยอมอธิบายตามท่านพระธรรมท์ตีกาอาจารย์ท่านอธิบายมาแล้วแต่เราไม่ยอมพยายามเข้าใจว่าเป้าหมายวัตถุประสงค์ของท่านคือพวกเราเนี่ยต้องให้ท่านพูดซะทุกเรื่อง ทั้งๆ ท, ที่ท่านพูดไว้ก่อนแล้วว่าชาติใช่ไหมในสัมมาสัมพุทโธเนี่ยท่านพูดไว้แล้วว่านี้ทุกนี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความแบบทุกๆเรื่องเลยหมดแล้วใช่ไหมน่าจะสะดุ้งสะเทือนตั้งแต่คําว่าสัมมาสัมพุทโธน่าจะเห็นโทษทังสังสารวัฏ ต, ตั้งแต่ท่านนั้นแล้วพอมาพูดวิชากับยารณาขึ้นมาเนี่ยก็ยังต้องให้ท่านกลับไปย้ำใหม่ทําไมไปทรมานดันขนาดนั้น เราเนี่ทําให้พู้ได้เจ้าลําบากทํำให้พระากหานตาเจ้าทั้งหลายลําบากทําให้ครบาาจาทําบากมองเห็นไหมดูก่อนภิกษุทั้งหลายพายาธาลุจริยธมไม่เคยไม่ได้ทําให้แต่ถาคตลําบากเลยใช่ไหมตัดสี่ประโยคไม่กี่คําเนี่ยท่านพายาบลุใช่ไหมเราต้องตั้งอัตยาสัยใหม่ ต่อไปเนี่ยเราจะไม่ทําให้พระพุทธเจ้าในอนาคตต้องลําบากเพราะเราอี้ข้าพานมาไม่รู้กี่ล้านองค์แล้วเนี่ยทําไมพระ อ, องค์ปวดเราไม่ขึ้นถอนเราจากลมไม่ได้เป็นโทษเพราะเราไม่ยอมเงียโสดสดับตั้งจิตรับรู้มึงใช่ไหมลองกลับไปดูใหม่ที่มันอะไรเกิดขึ้นใช่ไมเอาต้องไปดูในไหนในมัชมันยิ่ายอ่ะ ในคัมภี์มัชชิมานิกายนต้องไปดูในมัชชิมานิกายเนี่ยท่านพูดเกี่ยวกับในเรื่องของในกีกตาคิริสูตรในมัชชิมานิกายเนี่ยนะพระพุทธเจ้าตรการตั้งอยู่ในอารหั t ผลการตั้งอยู่ในอารห a t h a การจะบราราลุอรหั t ผลการจะบรรลุได้เนี่ย ด้วยการศึกษาโดยลำดับด้วยการกระทาโดยลำดับด้วยการปฏิบัติโดยลำดับกุลบุตรในพระธรรมวินัยนี้เกิดศรัทธาแล้วย่อมเข้าไปใกล้เมื่อเข้าไปใกล้แล้วย่อมนั่งใกล้เมื่อนั่งใกล้แล้วย่อมเงี้ยโสดลงเมเมื่อเงี้ยโสดลงแล้วย่อมฟังธรรม เมื่อฟังธรรมแล้วย่อมทรงจำธรรมนั้นไว้เมื่อทรงจำธรรมนั้นแล้วย่อมพิจารณาเนื้อความเห่งธรรมที่ทรงจำนั้นไว้เมื่อพิจารณาเนื้อความนั้นอยู่ทำทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิกเอาธรรมเหล่านั้นเนี่ยยกตัวอย่างเช่นเอาสัมมาสัมพุทโธมาเพ่ง ระดับแรกเพ่งโดยอารามานูปนิชานพิจารณาเห็นคุณของคําว่าสัมมาสัมพุโทโธให้จิตเป็นสมาธิให้เป็นสมาธะให้จิตนิ่งให้จิตสงบเมื่อเพ่งอย่างนั้นเบีเสร็จแล้วต่อมาเมื่อจิตสงบเกิดปราโมดปีตีปฏิสธิความสุขสมาธิแล้วต่อมาเอามาเพ่งโดยลักขณูปนิชาน ให้เกิดวิปัสสนาปัญญาเข้าไปทั้งตลอดว่าสภาวะความสงบนิ่งที่มีพุทธคุณเป็นอารมณ์เป็นต้นว่าเป็นแต่เพียงว่ารูปเวรน า, าสัญญาสังขารวิญญาณยังไงนามธรรมอาศัยรูปยังไงเป็นต้นจนเห็นเหตุปัจจัยของนามและรูปเห็นปัจจตะลักษณะของนามและรูปเห็นสามัญยลักษณะของนามรูปเกิดความสะดุ้งสะเทือนเห็นโทษของนามและรูปอย่างนี้เขาเรียกว่า ทำทั้งหลายย่อมทนต่อความเพ่งพินิษได้เมื่อทาทนต่อ